อุปติเทพและวิสุตติเทพพวกสมมุติเทพก็ได้แก่พระราช า, รา ช, าราชกุมารราชกุมารีพระเทวีทั้งหลายนี้เรียกว่าสมมุติเทพส่วนอุปติเทพก็คือพวกเทวดาและหมู่พรมเรียกว่าอุปอติเทพส่วนวิสุตติเทพเป็นชื่อของพระตถาคตพระพาฏหันตะขีนาสบพระประเจกพระพุทธเจ้านะกลุ่มพาฏหา์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุติเทพ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 นนะแนวเดียวกันนะก็คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรไม่เป็นค่าศึกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความบริบูรณ์ในศีลอินทรีย์สังวรโภชเนะมตันยุตาชาครยาิยานุโยกสติสัมปชัญญาโภธิปัิยธรรมเรียกว่าธรรมะที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงทำส่วนสุดแห่งปัญหาทั้งหลายก็คือ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 พระองค์นี้เป็นพระาศาสดาคือผู้นําพวกกันนะศาสดาหมายถึงผู้นําพวกอุปมาเหมือนนายหมู่นายพวกกันนะย่อมนําพวกพาให้ข้ามพ้นกันดานคือข้ามกันดานคือโจรสัตว์ ร, ร้ายทุพพิกภัยในสถานที่ไม่มีน้ําให้ถึงภูมิมิสถานปลอดภัยฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําพวกนําสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดานคือให้ข้ามพ้นกันดานคือชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาต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 พวกที่สงสัยเนี่ยให้กลับรู้เพราะฉะนั้นพระปิณกียเถระท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักแล้วซึ่งธรรมะอันให้เป็นอธิเทปทรงทราบซึ่งธรรมะทั้งปวงอันทำพระองค์และผู้อื่นให้เป็นผู้ประเสริฐพระศาสดาทรงท ร, รซึ่งที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่พวกที่มีความสงสัยให้กลับรู้ได้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 ความกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิน่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนอากุสลาภิสังขารเนี่ยนำไปไม่ได้นิพานนั้นเป็นคุณชาติเที่ยงยัง่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบาปอาุสลอะไรๆนำไปไม่ได้นิพานอันไม่กำเริบคือนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิน้นตันหา ความคลายกําหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเรียกวันนิพานอันไม่กําเริบเนี่ยนะอสังกุ ป, ปังนะ อ, อสังหิรังก็คืออะไรอะไรนําไปไม่ได้อสังกุปปังก็คือไม่กําเริบความเกิดขึ้นแห่งนิพานใดย่อมปรากฏความเสื่อมแห่งนิพานนั้นย่อมไม่มี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 สรุปว่านิาพานนิอสังหีรังอสังกุ ป, ปังอะไรอะไรนำไปไม่ได้ไม่กําเริบไม่มีอุปมาในที่ใดไหนข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสนิพานาธาตุโดยแท้ความสงสัยในนิาพานไม่ได้มีแก่ข้าพระองคอ์ขอพระองคอ์โปรดทรงจําข้าพระเจ้าโปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีน้อมจิตไปในนิาพานแล้วอย่างนี้เนี่ย น, นะนหลังจากที่ ท่านพระปิงคิยะเนี่ยนะจบคาถาที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านก็บรุอรหัตผลภาวรีพราหม์ก็บรุอนาคามีผลส่วนสิทธิ์โง่เนี่ยห้าร้ยก็บรุโสดาบันเนี่ยในในสูตรเนี่ยนะอตอนท้ายพระองค์ก็ตรัสแสดงธรรมให้ประชุมชนตรัสรู้ธรรมได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นปรายณนะปรายณวักเนี่ยนะทำให้ผู้บรุธรรมเนี่ยอย่างน้อยก็สิบสี่โกดอนนะ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 ในตอนท้ายนี่เห็นอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถตรัสรู้แบบศรัท ธ, ธาวิมุตติได้คือน้อมจิตด้วยศรัท ธ, ธาเนี่ยไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตโน้มไปในพระนิพพานเป็นที่สงบระงับดับอสังขตะท่าทั้งปวงอันข้อความในโซละสัมมานาวกะปัญหานิเทศก็คงจบแต่เท่านี้นะปรายนาวัคนิเทศก็จบแต่เพียงเท่านี้